วันนี้หลวงพ่อก่อนที่จะประกาศสถานีวิทยุหลวงพ่อจะประนมมือกราบคารวะองค์หลวงตาอย่างสุดซึ้งวันนี้เพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องประชาชนจัททายญาติโยมที่รักครบรในองค์หลวงตาขอให้ฟังด้วยความตั้งใจวันนี้ องค์หลวงตาของเราได้สั่งสอนพวกเราอย่างไรนแนะนําบอกกล่าวลูกหลานอย่างไรท่านให้บอกแล้วกล่าวอีกว่าอย่าตั้งอยู่ในความประมาทอย่าให้ลูกหลานตั้งอยู่ในความประมาทให้พวกเราศิษยารู้ศิษย์ให้เป็นผู้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทแบบัดนี้หลวงตาของพวกเราก็ได้แสดงหรือว่าเป็นตัวอย่างให้เห็นแล้ว อันนี้ยังทุกขังอนัตตาไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้เพราะนั้นขอให้คณะทา ญ, ญาติโยมทุกหมูเหล่าที่รักเคารพในองค์หลวงตาหลวงพ่อเองจะขอประกาศให้คณะทา ญ, ญาติโยม ท, ทุกท่านได้รับ ร, ร, บรู้รับทราบในวันนี้ขอประกาศการละสังขารพระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตามหาบัวยนตสัมปันโนเนื่องด้วยพระธรรมวิจุธิมงคลหลวงตามหาบัวยนตสัมปันโนอาพาธด้วยโรคลำไส้อุดตันตั้งแต่วันที่สิบห้าพฤศจิกายนพุทธศักราช2553ได้ละสังขารอย่างสงบเมื่อวันอาทิตย์ที่สามสิบมกราคมพุทธศักราช2554 เวลาส53นสิริรวมอายุได้เ7จปีหเดือน18วันพันษา77พันษาส่วนกำหนดการส่งน้ำศิรศบองค์หลวงตาคณะสงฆ์สิทยานุสิตจะได้ประกาศไปชมหารือร่วมกันและจะประกาศให้ทราบโดยเร็วต่อไปคณะสงฆ์สิทธยานุสิต คือแจ้งมาให้ทราบตัวทั่วกันวันทัศวันที่30มกราคมพุทธศักราช2554ขอแจ้งเพิ่มเติมคือองค์หลวงตาของพวกเราท่านทานในละสังขารไปแล้วทั้งคณะแพทย์คณะสิทิ์ได้พูดเป็นข้าวๆเป็นเบื้องต้นว่าองค์หลวงตาไม่ได้สีฟโฟมารินแล้วก็คงจาไม่ได้ วันนี้คงจะเอาศพ เ, เอาองค์ลงตาขึ้นมาบนศาลาหลังนี้แหละไว้ชั้นบนเพื่อจะได้ควบคุมฝูงชนที่เข้าม า, ารถน้ําองค์ลงต า, าแล้วก็คงจะเมื่อรถน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วคงจะบรรจุเข้าในหีบจากนั้นก็คงจะได้เอาไปที่ศาลาใหญ่ขั้นตอนต่อไปอันนี้ขอแจ้งข่าว ให้คณะทายาทโยมทุกท่านได้รับรู้รับทรา บ, บ, บ, บ, บ, บร่วมกันแล้วก็ขอให้เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนเมื่อฉันจังหารเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนพระสงฆ์ก็ขอให้มารวมกันที่ศาลาเมื่อฉันจังหารเสร็จเรียบร้อยเก็บบาตรเรียบร้อยแล้วก็คงจะนิมนต์เชิญองค์หลวงตานิมนต์องค์หลวงตามาที่ศาลาหลังนี้พร้อมกัน ขอให้คณะสิทธิอนุสิทธิศรัทธา ญ, ญาตโยมทุกหมู่เหล่าให้พร้อมกันที่ศาลาหลังนี้นะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คงจะคณะสงฆ์ก็คงจะร่วมไปชมหารือกันแบบรวดรัดรวดเร็วแต่ก็ให้เป็นธรรมที่สุดให้ทุกหมู่เหล่านะแล้วก็คงจะดําเนินในขั้นตอนต่อไปแตตอนนี้ไปพระสงฆ์จะโนุโมทนาให้พร ยาถาวาริวาฮาปุราป ร, ป ร, ปริโอเรนรเขออ่านที่ในกรรมที่องหลองตาที่ท่านได้เขียนนำบอกไว้ให้กับท่านทุกใจเก็บรักษาไว้มันนี้หลวงตาได้มรณะภาพลงไปแล้วคณะสืบก็ควรจะอ่านประกาศที่นกรรมที่องหลวงตาบอกให้ให้ทราบเรื่อทั่วกัน กระผมขออ่านพินัยการขกระผมที่ในกรรมคำที่วัดตาบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดบุดีรัานีเมื่อวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2543ข้าพเจ้าพระคำวิจุติมงคลดวงเล็ดพระมหาบัวยนต์นสัมปันโนอายุ87ปี มีภิมลลำเนาอยู่ณวัดตาบ้านชาตำเภเมืองจังหวัดปทุมธานีขอทำพิในกรรมฉบับนี้เพื่อให้ทราบเที่ยวันว่าเมื่อข้าพเจ้ามรณาภาพแล้วให้จัดการทรัพย์สินและงานศพของข้าพเจ้าดังนี้ข้อหนึ่งบรรดาทรัพย์สินที่มีอยู่แล้วในขณะที่ข้าพเจ้ามรณาภา และบรรดาทรัพย์สินต่างๆที่จะได้รับบริกาคในงานจบของข้าพเจ้าให้จัดการดังนี้หนึ่งหนึ่งส่วนที่เป็นทองคําให้หลอมเป็นทองคําแท่งหนึ่งสองส่วนที่เป็นเงินไม่ว่าจะเป็นเงินจากุนใดให้นําเข้าซื้อทองคําแท่งให้นำทองคําแท่งทั้ง ข้อหนึ่งจและข้อ 1.2 ไปมอบให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อใช้เป็นเงินทุนจำรองเงินตราของฝ่าย บ, บัตรธนาคารแห่งประเทศไทยโดยข้าพเจ้าไม่มีเจตนาจะให้บุคคลใดหรือคณะบุคคลใดนําไปใช้เพื่อการอื่นนอกจากเป็นเงินทุนจำรองของประเทศไทยเท่านั้น ข้อสให้ตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดงานศพและร่วมการจัดการดูแลทรัพย์สินทั้งดวงที่มีอยู่ในขณะบรรณาภาพและที่จะได้รับบริจาคในงานศพของข้าพเจ้าโดยให้ดําเนินการอย่างเปิดเผยและดําเนินการตามเจตนาของข้าพเจ้าที่ระบุไว้ในข้อ1ข้อ3 ให้คณะกรรมาการตามข้อ2มีจำนวน9คนประกอบด้วย 1. พระอาจารย์พร์สันติธรรมเอที่เขาน้อยสัมผานที่ท่านมรณภาพไปแล้ว 2. พระอาจารย์รอินถวายสันตุตะโอส 3. พระปัญญาวาัดโธอ 4. พระอาจารย์วันใสพิกิตโห้ กองขบวนตีก็ตชาวนักสีร ว, วันหก น, นายสิริครูจุลเกตหม่อมราชวงศ์ทองสิริทอแฉมแปดพันตํารวจเ อ, อกกิตตดาบุรณะพาณิชย์เกพันตีปัจจัยนารินทร์ข้อ4ข้าพเจ้าขอตั้งให้พระสุดใจพันตะมมโนโมเป็นผู้จัดการตำรวจของข้าพเจ้า ที่ในการฉรบับนี้ทําไว้สามฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกันเก็บไว้ที่1วัดป่าบ้านตา อ, อําเภอเมืองจังวอุดรธานี 2. ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดสาขาอุดรธานี 3. ธนาคารกสิกรไทยจำกัดสาขาอุดรธานีที่ในกรรมฉบับนี้ทําขึ้น ด้วยความสมัครใจของข้าพเจ้าและข้าพเจ้ามีสติษษษษษสัมปชัญญะสมบูรณ์จึงลงชื่อไว้ต่อหน้าพยานลงชื่อพระมาหาบัวชนะจมปโนผู้ ท, ทําพิณไกรลงเล็บพระมาหาบัวชนะจมปัโนพระธรมวิสุทธิลงคนข้าพเจ้าพระปัญญาวัดโธและพระสุดใจทันตมโน ขอรับรองว่าผู้ทำพิเนกรรมได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้าจริงลงชื่อพระปัญญาวัดโขลงชื่อพระสุดใจทัตนตมโนพิในกรรฉบับนี้ข้าพเพจ้าพระสุดใจทัตนตมโนเป็นผู้พิมพ์เขียนลงชื่อพระสุดใจทัตนตมโนเรเล่มพระสุดใจทัตนตมโน